ส่วนใหญ่ก็ภาวนาเป็นนะนะวนาเป็นส่วนมากยากที่เราไม่รู้ทางนะเคยได้ยินเคยได้ฟังว่าวิธีปฏิบัติจริงๆเขาทำยังไงมันก็ไม่ยากอะไรครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะท่านจะสอนเหมือนต่อจิกซอรหรือชี้เป้าให้เป็นจุดๆไปนะ เราจะไม่เห็นภาพรวมทั้งระบบของการปฏิบัตินี่หลวงพ่อเปลี่ยนวิธีสอนพวกเราสอนไม่เหมือนที่ครูบาาจารย์วิธีของครูบาาจารย์เนื้อหาน่านเดียวกันแะแต่วิธีการเปลี่ยนเราคนรุ่นเราเนี่ยมันทนไม่ไหวชี้ไปทีละจุดทีละจุดแล้วให้เดินไปเองนะไม่เดินหรอก ใจจะเต็มไปด้วยความลังเลสงสัยว่าจะไปยังไงังเวลาหลวงพ่อสอนหลวงพ่อสอนทั้งระบบสอนอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นวิธีสอนธรรมะซึ่งมันแปลกกว่าที่ครูบาอาจารย์รุ่นโบราณท่านสอนไว้อย่างสมัยก่อนมีพระมาเล่าให้ฟังพระท่านเรียนจากครูบาอาจารย์บอกอยู่กับท่านปีหนึ่งนะ ท่านสอ์บอกให้พุโทโธไว้อยู่เฉยๆนะไม่ได้สอนอะไรอยู่มาได้ประมาณปีหนึ่งท่านก็บอกให้พุโทโธวันนี้ก็ไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยผ่านมาอีกปีหนึ่งเดินมีตาบาดส่วนกับท่านท่านก็บอกว่ารู้สึกตัวไว้แต่ท่านจะสอนกันอย่างนี้นะส่วนมากท่านจะทำให้ดู เราต้องใช้ความสังเกตเอาเองครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติยังไงต้องดูเอาเองไม่บอกบางทีก็ใช้วิธีดูเอาอย่างหลวงพ่อก็เคยเจอครูบาอาจารย์อาจารย์องค์นี้นั้นเป็นคนที่ไม่พูดเลยขึ้นชื่อลือชาในด้านความไม่พูดหลวงปู่สามปู่สามนั้นก็ลูกสิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษิ์หลวงปู่ดุลเหมือนกัน วันๆไม่พูดอะไรเงียบแกใครก็ไม่พูดพูดน้อยมากเลยหลวงปู่ ด, ดูลยกย่องว่าท่านเป็นผู้ไม่มีโทษทางวาจ า, วาท่านไม่มีวาจาเท่าไหร่หรอกเงียบๆมีวันนะจะไปหาท่านไปนวดท่านนวดขอนวดนะนวดไม่เป็นหรอกไปขยํำขยําท่าน นวดนวดท่านนั่งเก้าอี้นั่งรถเข็นนวดนว ด, นวดแล้วเราใจลอยใจลอยท่านก็ว่าไม่เต็มใจนวดก็ไม่ต้องนวดเราหรอกแทนที่ท่านจะบอกว่าจิตส่งออกนอกใจลอยไปแล้วไม่บอกท่านว่าไม่เต็มใจนวดอย่ามานวดเราต้องนวดเรา เต็มใจครับเต็มใจนู่นอีกนะแ ป, ป๊บเดียวเขาใจลอยอีกล้วตอนนั้นก็เหมือนพวกเราอย่าเงี้ยเป็นโยมอยู่ <S <S ใ่ลอยอีกครั้งที่สองท่านก็ว่าอีกพอครั้งที่สามเลยรู้ว่าท่านสอนเนี่ยกว่าจะบอกอะไรแต่ละอย่างนะไม่ใช่บอกง่ายๆหรอกนีคนรุ่นเราเนี่ยพวกคิดมากก็เลยต้องให้เห็นภาพทางระบบเลยว่าเขาเดินกันอย่างนี้นะ อีกจุดหนึ่งที่ทำให้ต้องสอนทั้งระบบกนะ็คือสมัยก่อนเนี่ยคนเรียนกรรมฐานมันมีน้อยวันวันหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่มีคนไปถามกรรมฐานครูบาอาจารย์เท่าไหร่หรอกถ้าจะบอกให้เป็นคนๆได้ยังไปหาหลวงปู่ดูลาไปกราบท่านไปกราบเรียนท่านว่าอยากปฏิบัติท่านนั่งหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมง ถ้ามาร้อยคนจะทําทไงหลับตาร้อยชั่วโมงก็ไม่ไหวนี่นานหลายวันมีคนไปตามกรรมฐานสักทีนึ่งท่านก็สอนแบบเฉพาะตัวเงี้ยคสอนของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะเป็นคําสอนเฉพาะตัวของคนนี้แหละให้ทําอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนี้สอนทีหนึ่งตั้งร้อยตั้งพันบางทีหลายพัน จะไปบอกทีละคนทีละคนนะไม่มีเวลาบอกหลวงพ่อเลยเท่าสอนภาพรวมซึ่งมันจะต่างกับครูบาอาจารย์แต่ก่อนตรงนี้ความจำเป็นมันบังคับนะยุคนี้คนปฏิบัติเยอะนะเยอะมากเลยเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติผิดนะมั่วๆเอาไม่เรียนหลักที่พระ เ, เจ้าสอนให้แม่นนี่ตอนที่เปลี่ยนมิธีการสอนเนะี่ย ก็เลยมีคอนฟลิกต์ธรรมดาระหว่างหลวงพ่อไพศาลบมกเป็นกระแสอนุรักษ์กับกระแสปฏิรูปเป็นเรื่องธรรมดาสุดท้ายกระแสปฏิรูปมันก็ชนะกระแสอนุรักษ์แหละเพราะมันสอดคล้องกับสภาพสังคมรุ่นนี้เมือเราเรียนคนเยอะนี่ใส่ใจคอเขาไม่เหมือนคนรุ่นก่อนคนรุ่นก่อนนะ สมัยหลวงพ่อศึกษาธรรมะอะไรเนี่ยครูบาอาจารย์สั่งให้ทำอะไรทำเลยไม่มานั่งถามเลยว่าทำไมต้องทำหรือจะทำอย่างไรไม่ถามด้วยซ้ำไปไปหาหลวงปู่ดุลท่านสอนหลวงพ่อนะท่านหลับตาไปเกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนอย่างนี้ไปทำเอา เข้าใจไห ม, มกําลังปลืม้มเพราะหลวงปู่พูดด้วยแล้วไ่ถามก็รมฐานานะานบอกอยากปฏิบัติจะทํำยังไงท่านหลับตาไปเกือบชั่วโมงท่านลืมตาท่านพูดด้วยละการปฏิบัตินะั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองถ้าพวกเรารู้จักลูกสิธิ์หลวงปู่ดุลนะัตเราจะพบความประหลาดอย่างหนึ่งของพวกรู้สิธย์หลวงปู่ดุล คือเวลาถ่ายทอดธรรมะที่หลวงปู่สอนนะจะเวิร์ดใบเวิร์ดเลยเพราะอะไรหลวงปู่ดุลก็ไม่ค่อยพูดเหมือนกันพูดน้อยอย่างถ้าไปถามหลวงพ่อสุจินนะว่าหลวงปู่ดุลสอนอะไรบอกว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างถามร้อยครั้งก็ไม่ผิดเลย ถ้ามาถามหลวงพ่อว่าหลวงปู่สอนอะไรนะครั้งแรกที่เจอท่านท่านสอนการปฏิบัตินไม่ยากยากเฉเพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนะสอนเท่านี้เองนะเราต้องมาหาวิธีทำเอาเองนี่ตรงหาวิธีทาเอาเองเนี่ยถ้าอินทรีย์ละอ่อนนะเราก็สเปชสปะนานเงินเรียน แบบโบราณนะแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียนกัเรียนกันเป็น 10, 10ปีเรียนกันนานใจไม่แข็งพอก็เรียนไม่ได้สมัยโน้นครูบาอาจารย์มีมากนักปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ไปนั่งสมาธิเท่านั้นไม่ไม่ถึงขั้นเจริญปัญญาคนที่ปฏิบัติถึงขั้นเจริญปัญญามีน้อยอย่างหลวงพ่อครูบาอาจารย์จะจำได้ แลเราเป็นนักปฏิบัติหลวงพ่อพุธเจอหลวงพ่อหล ว, วงพ่อพุธเลือกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติก่อนท่านมารณาภาพนะเจอท่านครั้งสุดท้ายท่านเทศที่องค์การโทรศัพท์ท่านเทศเสร็จท่านเข้าไปกราบท่านหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกฉันว่าอย่างนี้นะทุกวันนี้นักปฏิบัติมีมากนะแล้วะนั้นครูบาอาจารย์มีน้อย ต้องช่วยตัวเองให้เยอะเลยอย่าพยายามไปพึ่งคนอื่นต้องพึ่งตัวเองให้ได้เพราะพุทธเจ้าปรินิพานท่านบอกให้เอาธรรมวิไนเป็นศาสดาแทนท่านเราต้องพึ่งธรรมวิไนอะไรที่พระเจ้าห้ามก็อย่าไปทำอะไรที่ท่านบอกให้ทำก็ขยันทำเขาต้องเชื่อท่านอย่างนี้ไม่ใช่ไปหวังพึ่งคนอื่นนะหวังพึ่งครูบาอาจารย์อะไรก็ใช้ไม่ได้หรอก ยิ่งเหอตามตามกันนะองนั้นดีองนี้ดีท่านนั้นดีท่านนี้ดีแห่ตามกันไปนะเสียผู้เสียคนไปเท่าไหร่เท่าไหรนะ่ไม่ศึกษาให้ดีว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรคาสอนของพระพุทธเจ้านะในเรื่องการปฏิบัติทั้งหมดครอบคลุมอยู่ในเรื่องอริยสัจเท่านั้นเรื่องทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคอะไรเป็นทุกข์รูปนามเป็นทุกข์ พอ ถ, ถึงขั้นการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาย่อลงมานะการปฏิบัติถ้าเราจะพูดมักแบบสองนะไม่เป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นสถ้ามักก็เป็น8ปดถ้าพูดว่าการปฏิบัติให้เป็นสองจะทําทได้ไหมก็ได้ท่านสอนบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนา บางคนบอกว่าพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกไม่มีคําว่าวิปัสสนามีไปดูให้ดีท่านสอนธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะอะไรวิปัสสนาเจริญสมถะได้ไหมไม่ได้ต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งทําวิปัสสนาได้ไหมไม่ได้นะต้องทําด้วยปัญญาอันยิ่งต้องมีปัญญาตีกรอบไว้เสมอเลยปัญญาตัวเนี้คือตัวสัมปชัญญะแหละเป็นปัญญาที่ตีกรอบเราว่า การปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นทํำยังไง ร, รู้หลักการปฏิบัติที่แม่นยํานะเราลงมือปฏิบัติไม่ให้คลาดเคลื่อนไปจากหลักหลักของสมรรถกรรมฐานเนะี่ยพระเจ้าท่านสอนไปกว้างๆพระรุ่นหลังท่านมาประมวลออกมาเป็นกรรมฐานสี่สิบอย่างเป็นกรรมฐานสี่สิบอย่างอย่างเป็นต้นว่า อนุสติสิบอย่างการคิดพิจารณาสิบอย่างกาศีลสิบ อ, อย่างอะไรเงี้ยนะความจริงกรรมฐานทำสมถะนะถ้ามองภาพรวมแล้วก็มีนับไม่ถ้วนแต่พระรื่นหลังพระอธกถานะท่านประมวลลงมาเอาไว้สี่สิบอย่างแค่นี้ก็เรียนเยอะแล้วามาให้หลวงพ่อสอนแล้วก็หลวงพ่อสอนสั้นกว่านั้นอีก เพราะกรรมฐานนั้นมันไม่ได้จำกัดสมถะนี้นะไม่เลือกอารมณ์ใช่อารมณ์บัตยัดก็ได้ใช้เรื่องราวที่คิดก็ได้เช่นคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิคูณอสุภะคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงอานิสงส์ของศีลของทานคิดถึงความสงบคิดถึงความตายคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายเป็นส่วนส่วนอย่างนี้ก็ได้คิดเอาก็ได้ อารมณ์ที่คิดเอาเรื่องอารมณ์บัญญัติใช้ทำสมถะได้อารมณ์รูปนามนรูปธรรมนามมาธรรมทั้งหลายถ้าเราไปรู้รูปธรรมนา ม, มาธรรมอยู่จดจ่ออยู่ในรูปธรรมอันใดอันหนึ่งนา ม, มาธรรมอันใดอันหนึ่งไม่คลาดเคลื่อนใจจากรูปธรรมนามมาธรรมนั้นนั้นก็เป็นสมถ ะ, ะอย่างดูท้องผองยุบนะชอบคิดบอกว่าทำวิปัสสนาไม่เป็นวิปัสสนาหรอก น, น้อยคนนะที่ว่าขึ้นวิปัสสนาได้ ส่วนใหญ่จิตมีเพ่งอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าจิตเป็นนิ่งอยู่ในรมันเดียวนะไปเพ่งรูปธรรมหรือเพ่งนามธรรมาก็ตามเป็นสมถะบางคนว่าดูจิตดูจิตนะัไปดูความว่างไปเพ่งความว่างเพ่งความไม่มีอะไรเลยนั้นสมถะอีกนะนั้นถ้ารูปนามนะัเรามีสติไปรู้รูปรู้นามไม่ใช่จะเป็นวิปัสสนานะจะเป็นวิปัสสนาเฉพาะเมื่อเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเท่านั้น ถ้าเห็นตัวรูปตัวนามไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามก็ไม่ใช่วิปัสสนาะดังนนั้นสมถะกรรมฐานท่านใช่อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดก็ได้ใช่อารมณ์รูปนามก็ได้แล้วสำหรับพระริยาบุคคลนะท่านใช้นิพพานเป็นอารมณ์ของสมถะก็ไดนะ้ที่ท่านเรียกกันว่าเข้าพละสมบัติผลสมบัตนะิเวลาพระริยะบุคคลเข้าผลสมบัติไม่ได้ส่งจิตไปที่อื่นเลย จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิต น, นั่นเองสงบอยู่ที่จิตนะเพราะอะไรนิพพานอยู่ที่จิตนะนะั่นแหะปรากฏขึ้นที่จิตนันะ่นแหะนิพพานมีลักษณะยังไงมีลักษณะสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแตง่งสงบจากธาตุขันไม่ได้ยึดถือธาตุขั น, นเวลาพระยาบุคคลเข้าผลสมบัติเนะข้ามาที่จิตนิ่เข้าไปสัมผัสความสุขความสงบ กอารมณ์ของสมถะไม่เลือกนะใช่อารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้แล้วมีอารมณ์ตั้งเยอะแยะนะไม่ใช่แค่กรรมฐาน40หรอกนี่กว้างขวางกว่ากรรมฐาน40เยอะเลย <S <S นะแต่ถ้าจะขยายความกรรมฐาน40ก็พอได้บ้างอย่างเห็นนิพพานนะไปเข้าอุปสมาอุปสมานุสติแต่ว่าอุปสมานุสติส่วนใญ่ไมคิดถึงความสงบ ไม่เข้าไปสัมผัสตัวพันิพานจริงๆแต่ตำราท่านก็ดีนะท่านพยายามทําให้เรียนง่ายแต่ความจริงแล้วอารมณ์ที่ใช้ทําสมถะนี่ไม่เลือกเลยอารมณ์ทุกชนิดเลยใช้ทําสมถะได้เคล็ดลับมันมีนิดเดียวเองเราต้องน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ ม, ม, ม, ม, มันเดียวที่มีความสุขต้องน้อมจิตไปน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขน้อมไปอยู่กับอารมณ์ น, นั้นอย่างต่อเนื่อง อารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสหลักมันมีเท่านี้เองจะทำกรรมฐานกี่ 40, 40่สบี่สิบห้าวิธีอะไรนะก็หนีไม่พ้นหลักอันนี้ลนะ่ะน้าจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนะอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสอย่างดาคนอย่างต่อเนื่องอยู่ในอารมณ์เดียวโกรธตั้งแต่เช้ายันค่ำทีนี้จิตใจไม่มีความสุขจะไม่สงบต้องมีความสุขจิตถึงจะสงบ อารมณ์ต้องไม่ยัว่วกิเลสอย่างบอกวันๆนะนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์ดูหุ้นตลอดวันเลยตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงแล้วบอกเนี่ยทาสมถะเพราะจิตเจาะจดจอดในอารมณ์มันเดียวไม่ใช่จิตแกล้งอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจเดียดเด๋ยวเสียใจเดี๋ยวก็กรีดด้วยความดีใจเดี๋ยวก็กรีดด้วยความคลุ้มคลั่งเงินหายไป งั้นอย่างนั้นทําสมะถะไม่ได้สมะถะต้องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขแล้วทําวิปัสสนาล่ะทำวิปัสสนานั้นก็มีการปฏิบัติตั้งเยอะทั้งแยะที่ย่อลงมาจริงๆก็คือให้มีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงหลวงพ่อขยายต่ออีกนิดหนึ่งในวงเล็บต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจะเดินปัญญาไม่ได้ แม่หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าให้มีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่มีสมาธิพูดอย่างนั้นหยาบไปแลสมาธิมีหลายแบบต้องเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นและเป็นกลางเท่านั้นสมาธิชนิดที่จิตเป็นสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวจะไม่เดินปัญญาเลยสมัยก่อนที่ว่าที่หลวงพ่อบอกไม่ค่อยมีนักปฏิบัตินะคนนั่งสมาธิเยอะมากนะ เยอะมากเลยแต่ว่าไม่ใช่นักปฏิบัติคือไม่ได้เจริญปัญญาไปทำสมาธิชนิดที่สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องมีความสุขแล้วเพลินอยู่ในความสุขนั้นมันต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่จิตมันถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมีอยู่คราวหนึ่งนะไปวัดกลางคืนเขาไปนั่งภาวนาในโบสถ์กันในโบสถ์ถของท่านเล็กแล้วนั่งอยู่รอบๆโบสถ์ด้วย นั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างเยอะมากเลยเป็นร้อยเลยนะคืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยคนไปนั่งภาวนากันเป็นร้อยหลวงพ่อก็ไปดูเขาไปดูแล้วในใจมันก็นึกขึ้นมาไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยหมายถึงว่าไม่มีใครจเจริญสติจเจริญปัญญาทำแต่ความสงบเฉยๆอยู่ใ น, ในใจก็นึกนึกด้วยกิเลสนะนึกปรามาสเขาว่าไม่เห็นปฏิบัติเลย พอเช้าให้มาตามคุณป้าคนหนึ่งเอาดอกไม้เข้าไปถวายหลวงปู่หลวงปู่ท่านเรายิ้มยิ้มหลวงปู่ท่านจะยิ้มหลวงปู่เทนใจดียิ้มตลอดปู่ท่านยิ้มยิ้มท่านก็หันมามองหน้าหลวงพ่อแล้วท่านก็บอกวันนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะเรานี่อายมากเลยเห็นไหมวิธีสอนของท่านนะท่านไม่ได้บอกตรงตรงอะ่ะ ถ้าเป็นสไตล์หลวงพ่อก็ให้บอกเฮ้ยคิดอย่างนั้นไม่ถูกนะมันเป็นกิเลสชื่อตัวนี้ชื่อตัวนี้นะนี่ประกอบด้วยตัวนี้มีตัวนี้เป็นเหตุอะไรเงีนะ้ยถ้าสไตล์หลวงพ่ออย่างท่านไม่บอกหรอกท่านสอนมิตรสอนท่านวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วละ่ะโหมันคือประโยคที่เราคิดไว้อะเชา้าขึ้นมาก็โดนท่านเฉ่งเอาละยิ้มหวานไม่มีใครรู้เลย เรา่นี้สะเทือนใจเลยว่าโอ้โอกิเลสเราเราไม่เห็นนะเราเห็นแต่กิเลสคนอื่นไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยว่าเขาไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันโมไปดูคนอื่น<ม><ม>แยกกว่าคนอื่นเขาอีกเขายังทําอะไรต่ออะไรนะสมาธิเราพาไปดูคนอื่นยิ่งแย่หนักเขาอีกเ<ม><ม>นี่วิธีสอนของครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะสอนอย่างเนี้ย ถ้าเป็นสไตล์หลวงพ่อสอนอย่าทรงจีร อ, อกนอกเที่ยวไปดูคนอื่นมันออกนอกนะมันประกอบด้วยโลภะพอไปดูแล้วไปเพ่งโทษเขาเนี่ยประกอบด้วยมานะมีกิเลสตระกูลนี้นะทํางานอย่างนี้อย่างนี้ทำแล้วจะมีผลอย่างนี้อะไรอย่างนี้ถ้าพวกเราได้ยินครูบาอาจารย์พูดเราก็จะแค่อัศสะจันแค่ตื่นเต้นยุคนี้นะ ถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ท่านอะไรแปลกๆให้ดูนะไม่ได้ดูให้เป็นธรรมมาว่าท่านสอนอะไรหรอกจะตื่นเต้นอุ้ยองนี้ท่านรู้จริงๆเลยนะเธอเนี่ยรู้นะเธอนี่สมัยก่อนก็มีคนนชดนนีน้มีคุณป้าคนหนึ่งนะภาวนาที่หินหมักเป้งนั่นแหละภาวนาแล้วกกคิดจะไม่นอน มีความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างใหญ่เลยนะคืนนี้จะภาวนาโต้รุ่งนะนะพอดึกสงัดเข้าหน่อยนะโอ้มันเหนื่อยลา้าเต็มทีแล้วนะเรานอนแต่เราไม่หลับก็แล้วกัน <c oughs> นอนพยายามพยายามลืมตาไวนะ้พ <c oughs> ยายามฝืนฝืนฝืนเห็ <c oughs> นหลวงปู่มาชะงกที่ประตูอ่นะะตาลีตาลานลุกขึ้นมานั่ง เชาวขึ้นมาก็เที่ยวเล่าไม่ได้เล่าว่าตัวเองขาดความเพียร น, นะแล้วก็เห็นครูบาอาจารย์ระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็เกิดความเพียรกลายเป็นเล่าปฏิหารน้ำกลายเป็นอย่างนี้หมดเลยนะคุณภาพของจิตมันก็เป็นอย่างนั้นหนะลงแต่เรื่องอิทธิปฏิหารครูบาอาจารย์องค์นี้เก่งนะเธอทํานายว่าน้ําจะท่วมโลกแล้ว ปีนั้นปีนั้นวันนั้นเดือนนั้นพอมันไม่ท่วมก็ลืมไปละเดี๋ยวท่านก็ถ่ายอันอื่นต่อไปเหอะบางทีท่านไม่ได้เจตนาพูดเรื่องนั้นเลยไปตีความเอาเองก็มีนะเราอย่าไปสนใจเรื่องไร้สาระพวกนี้นะเราค่อยดูว่าทํายังไงเราจะปฏิบัติของเราได้สังเกตเอาครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนละเอียดต้องใช้ความสังเกตเอา แต่เดี๋ยวนี้หลองพ่อสอนละเอียดสนละเอียดแล้วจับหลักให้แม่นนะจับหลักให้แม่นแล้วไปทำเอาไม่ต้องไปถามใครให้มันสับสนต่อไปละวุ่นวายมากเลยนะถามคนโน้นทีถามคนนี้ทีร้อยคนก็ตอบไม่เหมือนกันเพราะว่าการปฏิบัตินะเป็นศิละปะนะหลักของการปฏิบัตินะมันมีอยู่แล้วล่ะไม่คลาดเคลื่อนหรอกถ้าถูกนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านทำถูกหลักปฏิบัติท่านไม่คลาดเคลื่อนหรอก แต่ศิละปะของการสอนเนี่ยจะแตกต่างกันเหมือนหมอนะเรียนจากรามาที่เดียวกันเรียนจากศรีธาตเหมือนกันเรียนจากจุลาเหมือนกันอะไรเงี้ยเวลารักษาโรครักษาได้ไม่เหมือนกันมันเป็นศิละปะให้เรียกต้องมีใบประกอบโรคศิละปะใช่หไหมงั้นถ้าเราไม่สบายนะเราก็วิ่งหาหมอคนนี้วันหนึ่งหาหมอเขียวหาหมอลีหาหมอชน หาหมอแม่เดี๋ยวตอบไปก็หาหมอแขกหมออะไรต่ออะไรไปเรื่อยคงตายแล้วมีหมอมากไปรักษาไม่สําเร็จหรอกโบราณบอกมากหมอมากความมากหมอมากความเนี่ยความจริงหมายถึงทนายความหมอความหมอมีทนายหลายคนไ่คอยบอกเราให้ฟ้องตรงนู้นฟ้องตรงนี้สู้ตรงนั้นสู้ตรงนี้สุดท้ายชนะเลย แต่หมดตัวจค่าทนายหมดเลยกรรมฐานก็เหมือนกันนะจุดสำคัญที่สุดจับหลักของการปฏิบัติให้แม่นพระพุทธเจ้าสอนอะไรจับให้แม่นพอจับหลักที่ท่านสอนได้แล้วลงมือทำเลยจะเสียเวลามากหลวงพ่อนะอ่านนะอ่านพระไตรปิฎก ตั้งแต่ยังไม่ทันเจอหลวงปู่ดุลอ่านพระไตรปิฎกหลายรอบเลยอ่านแล้วอ่านอีกอ่นแล้วอันออนีน้แต่อ่านอภิธรรมไม่รู้เรื่องอ่านได้แต่พระวิไนกับพระสูตรตอนนั้นยังไม่เคยเรียนอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องอะอะไรว่าเริ่มต้นกูศลาธรรมะอกูสลาธรรมะพยากระตาธรรมะจบนะเริ่มต้นก็ขึ้นอย่างนี้เลยทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลทำที่ไม่ใช่กุศลอกุศลจบ เอาไปทาปฏิบัติยังไงไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้จะทำยังไงอ่านได้แต่พระวินยนะัยแบ่พระสูตรมาเจอหลวงปูด่ดุลท่านสอนให้ปฏิบัตินะก็ ล, ลงมือทาเลยทำเสร็จแล้วนะท่านบอกให้ลองทำก็ทำเลยนะทำไม่คิดมากหรอกลุยลูกเดียวเลยใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดืนอนหลวงปู่บอกว่าเข้าใจแล้วนะพึ่งตัวเองได้แล้ว ครั้นี้มาทวนลนะทบทวนที่ท่านสอนกับถ้าใจปิดกนะมันลงกันเป๊ะเลยลงกันหมดเลยอย่างท่านสอนการเจริญปัญญานะี่มีปรัชนากรรมฐานของนักดูจิตหนะลวงปู่ดูไม่ได้สอนแต่ดูจิตนะแต่อย่างหลวงพ่อจริตเหมาะกับการดูจิตท่านก็สอนดูจิตท่านเห็นว่าเป็นคนเมืองเป็นพวกคิดมากช่างคิดพวกทิฏฐิจริตท่านสอนให้ดูจิตนัถูกกับปริยัติเป๊ะเลย มาทิฏฐิจริตให้ดูจิตตัณหารจริตให้ดูกายก็สอนถูกแล้วไม่เริ่มต้นว่าสอนให้นั่งสมาธิเพราะว่าการดูจิตเนี่ยเป็นเส้นทางของวิปัสสนาญาณิกเดินปัญญาไปก่อนถ้าดูกายเนี่ยเป็นเส้นทางของสมถะญาณิกต้องทําสมาธิก่อ น, นทางเดินไม่เหมือนกั น, นมาดูหลวงปู่สอนตรงนสอนถูกแล้วหลักการเจริญปัญญาของหลวงปู่นะที่ดูจิตเนะ ท่านบอกจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปทำไมท่านไม่บอกว่าจงทำสติเห็นจิตนะทำไมใช้ยานยานแปลว่าปัญญายานเห็นอะไรเห็นอะไรของจิตเห็นไตรลักษณ์ของจิตเนะี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสอนนี่นะมันเป๊ะเป๊ะมากเลยนะันถึงมีคุณภาพสูงสู้กิเลสไหวถ้าท่านบอกมีสติรักษาจิตเรื่อยไป ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ขั้นเจริญปัญญาละมีสติรักษาจิตเป็นเรื่องขั้นโหสถะเวลาสอนเดรินปัญญาหลวงปู่ดูลสอนมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปตาเห็นอะไรตาเห็นรูปถูกเป๊ะอีกตาไม่ใช่เห็นผู้หญิงตาไม่ใช่เห็นผู้ชายตาไม่ใช่เห็นหมาเห็นแมวตาเห็นรูปใชท่านสอนถูกเป๊ะเลยรูปคืออะไรรูปที่ตาเห็นคือสีเท่านั้นเองเขาเรียกวันณรูปไม่ใช่วรนนรคนะ วันรูปคือสีที่ตาเห็นงั้นสิ่งที่ตาเห็นนั่นคือคือรูปปรมัตคือสีท่านบอกมีญาณเห็นจิตมีปัญญาเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปงั้นเราต้องเห็นตัวจิตที่เป็นปรมาทุไม่ใช่คิดเอาจิตที่เป็นปรมาทุมีจิตยังไงบ้างจิตที่สุขก็เป็นจิตที่เป็นปรมตทุจิตที่ทุกข์จิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์จิตที่เป็นกุศลจิตที่โลภที่โกรธที่หลง งั้นเราดูจิตที่หลากหลายอย่างนี้นะถึงนี้เรียกว่ามียานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปไม่ใช่ไปตาเห็นจิตกําลังคิดเรื่องจะไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะดังนั้นเรื่องราวที่ไปเที่ยวอะไรเนี่ยเป็นบัญญัติมันไม่ใช่ตาเห็นรูปนะอย่างนั้นเรียกตาเห็นหมาเห็นแมวะงั้นถ้าอยากดูจิตให้เป็นนะจงทํายานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปหมายถึงว่ามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น ตารเราเห็นรูปเราไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งมีตามีรูปมีแสงสว่างมีความรับรู้ทางตามันก็เห็นรูปไม่ได้เลือกเลยรูปที่ตาเห็นดีบ้างร้ายบ้างนะสวยบ้างไม่สวยบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตดีบ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกบ้างนะสารพัดที่จะเกิดขึ้นมาให้มียานเห็นก็คือเราเห็นเลยจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับ จิตที่ดีเกิดแล้วก็ดับนะจิตที่โลภที่โกรธที่หลงที่ฟุ้งซ่านที่หดหูดีใจเสียใจอิจฉาริษยาพยาบาทนะทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดแล้วดับหมดเลยนี่หลักการสอนของหลวงปู่ดูลนะถ้าสอนถึงขั้นเจริญปัญญาในการดูจิตจะเข้ามาดูตรงนี้นะไม่ใช่ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนะมีสติรักษาจิตนิรันดร น, นั่นสมถตาทแท้เลยนะทำให้จิตอยู่ในอารมณ์ว่างๆนิ่งๆตลอดไป งั้นที่บอกเมื่อกี้ว่าครูบาอาจารย์แต่ก่อนเวลาสอนนะท่านสอนเฉพาะตัวนะเพราะงั้นถ้าเราอยากรู้ว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์สมัยก่อนสอนอะไรเราต้องไปสัมภาษสลูกศิษย์ท่านที่เยอะที่สุดเลยเพราะท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าไปเรียนเฉพาะตัวนะไม่เคยถามใครก็เลยคิดว่าหลวงปู่สอนแค่นี้อันนั้นเข้าใจผิดแะ้วในขั้นของการทําสมถะนะก็คือ มีสติรักษ า, าจิตอยู่จิตเคลื่อนไปรู้จิตเคลื่อนไปรู้มันก็นจะนิ่งอย่าไปประคองนะประคองก็ผิดละแค่จิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้จะได้สมาธนะิจะได้ความสงบขึ้นมาแต่ในขั้นเดินปัญญานะจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปตาเห็นรูปมีรูปอะไรก็เห็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละจิตเราดีจิตเราเลวจิตเราสุขจิตเราทุกข์เห็นอย่างที่มันเป็นแล้วเห็นว่าอะไรเห็นว่ามันเป็นไตรลักษ ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกไม่จะตรงกับที่ผูุ้ทธเจ้าสอนเป๊้เลยนะมีปัชนากรรมฐานนะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปน้ำนะไปเทศที่เชียงใหม่นะคราวนี้ก็ยังบอกอโยมบอกโยมบอกว่าเวลาฟังธรรมนะหลวงพ่อสอนละเอียดมากแล้วนะเอาไปทําเอาไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาที่โน้นที่นี่สับสนวะเปล่านะเสียเวลา บางทีครูบาอาจารย์หลายองค์เนี personal, Dam, pues ่ยภาษาเหมือนกันนะเนื้อหาเหมือนกันก็มีภาษาเหมือนกันแต่เนื้อหาไม่เหมือนกันก็มีพูดเหมือนกันเป๊ะเลยประโยคเดียวกันแท้เป๊ะเลยนะแต่สภาวะเนี่ยสอนไปคนละทางเลยนะภาษาต่างกันนะเนื้อหาต่างกันก็มีพวกนี้ไม่มีปัญหาภาษาต่างกันเนื้อหาต่างกันพวกเราแยกได้ภาษาต่างกันเนื้อหาเหมือนกัน น, นี่ก็ชักยุ่งเหมือนกันทำไมครูบาอาจารย์แต่ลงที่ว่าภาวนาดีเหมือนกันนะสอนไม่เหมือนกันนะี่ยอัฏฐะและพยัญชนะนะมันทําให้เราสับสนหลายคนเลยบอกว่าองค์เนี้ยสอนเหมือนหลวงพ่อไม่เหมือนหรอกนะภาษาเหมือนนะเรียกว่าพยัญชนะเหมือนแต่อัฏฐะไม่เหมือนเนะนี่ยสิ่งเหล่านี้ทําความสับสนให้กับพวกที่วิ่งไปวิ่งมางั้นเรียนให้แม่นนะ แล้วลงมือทําของเราด้วยตัวของเราเองมีปัญหาเนี่ยใช้โยนิโสมนัสิการให้มากเลยไปทบทวนดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรว่างๆนะไปอ่านพระไตรปิฎกนะฟังที่หลวงพ่อเทศแล้วเนี่ยไปอ่านพระไตรปิฎกจะรู้เรื่องนะจะไม่เหมือนแต่ก่อนเลยแต่ก่อนอ่านพระไตรปิฎกจะไม่ทราบซึ้งหรอกถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วไปอ่านพระไตรปิฎกนะจะเหมือนกับเรา เข้าไปในคุมทรัพย์มันมหาศาลเกิดความรู้ความเข้าใจที่กว้างกวา ง, วางมากมายขึ้นมาแต่ จ, จับหลักให้แม่นนะแล้วไปดูแล้วลงมือทำเอา้าทำแล้วก็ลองไปทดสอบดูว่าตรงกับพระไตรปิฎกไหมเอาไปกินข้าวไป